เกิดสมนัตได้ไหมโทมนัตได้ไหมแล้วเกิดเวขาก็ได้ฉะนั้นตัวเวทนาเหล่านั้นก็เป็นทุกขศาตร์หมดเลยนเป็นทุกขศาสตร์หมดเลยเวทนาเหล่านั้นมีตัณหาเป็นสมูทัยตัณหาในพพก่อนนและเวทนาเหล่านี้นะถามว่าเวทนานี่เป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมใช่